ช่วงนี้ก็เป็นเทศการประจำปีที่ผู้เคยปฏิบัติรมแนวเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเรามารวมตัวกันเพิ่อเก็บเกี่ยวแค่ว่าเก็บเกี่ยวความรู้สึกตัวเนี่ยให้มันต่อเนื่องเชื่อมโยง หลายคนจ่งนี้อาจจะรวมตัวการทำบุญกฐินก้าววัดก้าวว่าพ่องไปทั่วประเทศไทยแต่ของเราเนี่ยตอ บ, บุญเป็นกุศลเป็นความฉลาดท่องเที่ยวไปที่กลที่ใจของเราเนี่แหละจะได้เห็นหนาการธรรมชาติ เราเคยไปยึดไปตีความมันคือความทุกข์อาการของกายอาการของจิตใจของเราแล้วก็ไม่มีปัญญาหยิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยที่ต้องการปัญญาพุทธะหรือว่าลักษณะของการเห็นถูกเห็นตรงหยิบมาใช้อย่างถูกต้องมันจะไม่ได้เอาความหมาย มาเป็นดีหรือชั่วมันจะเป็นแค่อาการเราเป็นการปรากฏขณะต่อขณะเป็นปฏิบัตนนิขณะอย่างนีน้เราสามารถที่จะจัดระเบียบความรู้สึกตัวมันจะจัดระเบียบให้สติที่เกิดจากความรู้สึกตัวเป็นสติตพ ฐ, ฐานมันจะเหนือเกิดเหนือแก่เนะือเจ็บเนือตาย ลักษณะของธรรมชาติทั้งในตัวและนอกตัวถ้าถูกใช้ได้ปัญญาแล้วไม่ได้ยึดไม่ได้ถือมันจะไม่ได้ยึดจะทั้งเอามาแบกบอย่างเช่นว่าความคิดเนี่ยนะถ้าเจตนายคิดเนี่ยเป็นประโยชน์ทีเดียวเราจะแยกได้ขณะที่เรารู้สึกตัวเคลื่อนไหวเดินจงกรมตั้งซ่างจังหวะจะแยกได้ มันเป็นการสัมผัสที่กายแต่เวลามันคิดเนี่ไปสัมผัสที่เนสมองอ่ะมันจะแยกได้ตัวนั้นเราไม่ได้เจตนาคิดแล้วก็ตัดต่อไปเราทําหน้าที่การงานเราเจตนาคิดเราก็รู้เนี่ยคือเจตนาคิดหยิบความคิดมาใช้แล้วรู้จักวางรู้จักปล่อยจะไม่ได้ไโลภจิตโลภศาสตร์ปวดหั ว, หวตัวร้อนไม่สบายเสียศูนย์เครียด ก็เรารู้จักหยิบมาใช้ใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจของเราความเจ็บความปวดถ้าเกิดจากการปฏิบัติจากการทํางานทําการหรือว่าเป็นเรื่องปกติมากปวดเนื้อเมื่อยตัวอย่างนี้นะนั่งนานๆกดทับก็เจ็บก็ปวดเนี่ยอันนี้ธรรมดามากเลยเป็นเน็บอาการชาเกิดไหมธรรมดามากเลย แต่ถ้าอยู่ๆไม่ได้ทําอะไรมันเจ็บมันปวดขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาแน่ป่วยต้องหาหมอแน่อยู่ๆเจ็บกระดูกขึ้นมาอาจจะต้องเตรียมใจไว้ได้แล้วอาจจะเป็นมะเร็งก็ไปละมะเร็งในกระดูกหรือกระดูกผุกมันก็จะปวดผิดปกติขึ้นมาทํางานทําการเหงื่อออกเนี่ไม่ผิดปกติอยู่ๆ อ, อยู่เฉยๆเหงื่อออกขึ้นมา อาจจะจับไข้ไม่สบายแล้วไม่จะรู้จักเรื่องแบบนี้แหละจัดระเบียบได้ไม่ได้มีปัญหาเลยตอนนี้อากาศหนาวก็ปกติก็หาผ้ามาห่มหาเสื้อมาใส่ปกติมากเลยเกี่ยวข้องถูกต้องถ้าอยู่ๆเขาลอนกันเราหนาวขึ้นมาคนเดียวยจับไข้แน่เลยหรือไมก่ก็ไวทองแล้วเก็ต้องรู้ ะเวลาปฏิบัติอาการต่างๆแสดงออกมาปรากฏออกมามันออกมาให้เราได้ดูออกมาให้ได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสจะได้เกี่ยวข้องถูกต้องกาลาเทอซาต่างๆที่กำหนดไว้สมมุติบัญญัติเช่นตอนนี้ต้องมาทำวัดร่วมกันนเราก็จะทำวัดแก้ ว, วันนี้วันเดียวเท่านั้นแหละก็คือทาวัดเช้าเพื่อรับฟัง ปฐมเทศจะได้เป็นทิศทางเดียวกันจะได้บอกเออห้ามพูดห้างคุยนะแล้วพูดคุยให้น้อยที่สุดเวลานี้เราเวลาเราจะเกีเก่ยวความรู้สึกตัวถ้าจะพูดจะคุยเจตนาพูดคุยหรถึงเวลาต้องเกี่ยวข้องกันทําหน้าที่การงานต่างๆอันนั้นก็เจตนาพูดคุยก็จะพูดคุยกันเบาที่สุดแต่บางคนคุยคุยใช้พลังงาน เราก็เห็นแล้วถ้ามันต้องใช้พลังงานมากไมยขนาดนั้นนาะเวลาพูดละคุยคุยธรรมดาธรรมดา ป, ปกติก็รู้เรื่องแล้วบางคนก็แหลมเลยบางคนก็แปลนเลยบางคนก็แสดงตัวแสดงตนอะไรอันนี้ไม่ได้ว่าถูกไม่ได้ว่าผิดมันเมื่อกี้หม า, หาเห่าอย่างเงี้ยนะตอนนี้มันเงียบไปแล้วหม า, หาเห่าอันนี้ก็เป็นนาการที่เราจะต้องเรียกว่าเอามาเป็นครูให้หมดไปแล้ เขาทำเราไปทำเราสังเกตได้ศีลมันเป็นยังไงความเป็นปกติมเป็นยังไงกายปกติวาจาปกติเป็นยังไงเรียกว่าศีลจิตตั้งมั่นคือสมาธิมันคือยังไงล้วมันตั้งมั่นเวลาไหนอย่างเงี้ยอย่างเช่นคอร์สนี้เราใช้กุสโลบายแนวหลวงปูตเตียนเราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเราจะไม่ได้มานั่งนิ่งๆกันนะนี ถ้าทำเป็นมันจะรู้เลยว่าคืออะไรคนอื่นพูดเรารู้หรมันคืออะไรเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเรารู้นี่ทุกมันคืออะไรไม่ทุกมันคืออะไรทุกที่เกิดจากการคิดว่าอุปทายนยารูปมคืออะไรรั่วทุกขังร่างกายเป็นคุกขังเราคืออะไรมันสลัดหลุดมันสลัดคืนทุกกายกายก็รับไปทุกจิตทุกใจเกิดจากความคิดทั้งหมดแล้จะคิดไปทําไมก็หยุดคิดซะบ้างอยูก็สบาย เดี๋ยวเราสังเกตดูวันที่หนึ่งสองสามผู้ใหม่ที่เพิ่งเข้าคอดครั้างแรนด์ก็ทะลักทะลวงอัู่แล้วมันจะว่าผู้ใหม่ผู้เก่าเหมากันกันแหละมันจะฟุ้งซ่านนี่แหละของดีถ้าเรากวนมันแล้วมันฟุ้งขึ้นมาแล้วของดีถ้าอยู่ๆไม่ได้ปิบัติแล้วก็มันฟุ้งขึ้นมาแล้วไม่ดีหรอกมันใกลจะบ้าแล้วใกล้จะเข้าโรงพยาบาลประสาทแล้วนี่อยากให้รู้ไว้เช่นทางทิศทาง ของการปฏิบัติแนวเคลื่อนไหวคือให้เห็นกายเคลื่อนไหวแล้วหเห็นใจคิดนึกการระลึกการนึกการคิดการปรุงการแต่งแต่ละคำแต่ละพยางค์แต่ละประโยคนีมันมีความหมายเป็นอาการที่เกิดที่กายที่ใจของเราเพราะฉะนั้นการรู้ธรรมะต้องกลับมารู้กายรู้ใจของเราอยู่รู้นอกตัวคนนั้นทําไมทําอย่างนั้นคนนี้ทำไมทําอย่างนี้ไม่ต้องพยายามทำอย่าดูคนเดียวพอ ขอรับผิชอบเรื่องนี้เรื่องอื่นไม่รับผิดชอบด้วยหรอกแต่เรื่องการที่ปฏิบัติแล้วก็อารมณ์ก็มาถายติดติดกัดๆแก้หอันนี้จากการที่มันเหมือนกับว่าเผลอหลงไปทํายังไงเราต้องเจตนากํากับกําหนดรู้นิดหนึ่งพอเราเจตนากํากับกําหนดรู้แล้วเพ่งจ้องเคลียดทาไงก็ปล่อยป่อยวางๆ ง, งนิดหนึงคลายคลายผ่อนคลายจนรู้สึกสบายอย่างนี้นนะนี ทีนี้พอมันปฏิบัติแล้วมันเริ่มที่จะรูจ้จักรูปนามอันนี้มันจะเป็นไปเองเลยละกฎของธรรมชาติกฎของกรรมฐาน ม, มันจะพาเราเดินทางเรียก ว, ว่าวิปัสสนามันเกิดขึ้นมาจาก น, น้อยๆนะเขาเรียก ว, ว่าเดลุนีของวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นมามันจะเกิดอารมณ์วิปัสสโนคู่ตรงนี้ล่ะที่นักปฏิบัติต้องระมัดระวังก็คือพยายามไม่สูงสิงไม่คลุกคลี เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอารมณ์วิปัสสนคู่มันจะปีคู่ประกบทันทีแลมันจะพูดเรื่องราวอะไรมากมายแล้วกันทำให้เผลอลืมเมื่อลืมตัวไม่รู้สึกตัวแล้วก็หยุดการปฏิบัติหยุดการฝึกหัดในรูปแบบการกลับมารู้มือสิบสี่เชิงว่าการกลับมารู้การเดินจงกรมแต่ละขณะตัวนี้นนนมันจะลืมไป ถ้ากว่าจะถึงอารมณ์รูปนามรู้รูปรู้นามเนี่ยมันก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการเทคนิคปฏิบัติซะก่อนเช่นเดินยังไงวางกายวางใจยังไงวางหน้าวางตายังไงแล้วก็เวลาปฏิบัติเนี่ยไม้มือไม่ปล่อยแหวงเทคนิคพวกนี้ยต้องรู้จักแล้วการนั่งยังไงนั่งแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่ทรมานจะต้อง มันก็ว่าเคล็ดหลาบไปเลยอย่างนี้ยก็ต้องรู้จักก็ต้องรู้จักว่าเวลาฝึกแบบใหม่ๆนะวันแรกๆเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะไปทุ่มเทนะเหมือนก็ว่าเอาจริงเอาจังจนกระทั่งมันสองสามวันแล้วก็ไดายานหอบเสือเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปนนตั้งใจมาแล้วก็ตั้งใจกลับอยากมาก็อยากกลับนะอันนี้คือเทคนิคปฏิบัติเราต้องสังเกตเอาที่ตัวเรานะการสํารวมนะคือเทคนิคปฏิบัติด้วย ไม่ดูได้แล้วก็ไม่ดูอย่างนะไม่ฟังได้แล้วก็ไม่ฟังไม่พูดได้เราก็ไม่พูดไม่ทําอย่างอื่นได้แล้วก็ไม่ทําไม่ใช่ว่าขี้เกียจไอ้ว่าขี้เกียจคือขี้เกียจทุกข์ทำอย่างอื่นมันทุกข์มากๆแล้วนี่เราก็เลยมาฝึกัความรู้สึกตัวให้เห็นทุกข์ลงไปตรงๆเลยไม่ใช่ว่ามันจะหนีทุกข์หลบเบี่ยงการงานไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเราจะเห็นทุกข์ตรงๆล้ำถึงที่สุดแห่งทุกข์อะไรจะเกิดขึ้นมา นั่งจนกระทั่งรู้แล้วว่าปวดคืออะไรที่สุดแล้วของการปวดว่องจงกนกระทั่งว่ามัรู้อะไรที่สุดของความว่วงอยู่แก่นั้นคืออะไรนะมันคิดฟุ้งซ่านจนเนี่ยที่สุดของการที่มันจะฟุ้งซ่านแล้วมันหยุดคิดแล้วนะมันเห็นความไม่เที่ยงหนี้เห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตอนอย่างเงี้ยนะมันเป็นผลการของปัญญาเกิดขึ้นมาขณนะตอนนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะเทศนาอะไรเพียงแค่กลั่นไว้ให้อาจารย์นะงสนใจนิดนึง ก็จะเป็นสู่ทิศทางเดียวกันของการเข้าขอดเข้มในการนี้ว่าเราจะต้องใช้กุสรบายแนวหลวงปู่เทียนท่านเคยบวชแนวหลวงปู่เทียนมาแล้วการบวชครั้งนี้มันครั้งที่สองท่านเคยได้ยินได้ฟังได้ทํามาแล้วครั้งนี้ก็ตั้งใจที่จะบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจง้งเป็นทิศทางเดียวกันเราจะอยู่กันแบบเป็นกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นด้านหน้าประสบการณ์ตรงที่เคยปฏิบัติมาเห็นว่าแบ่งปันและเกิดประโยชน์ กับโมกายนณมิตรในครั้งนี้เนก็กราบอรรถธนาให้แบ่งปันโดยการสนทนาธรรมตามสมวควรแก่รมแก่เวลาต่อไปอนมูลคันค บูชาปรัตนตรยัยบูชาคุณครูอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนเกาะกาบคารวะอาจารย์สงศิ์อาจารย์ทุกรูปพระเทรานุเถระพันเตเพื่อนสาธรรมิกกเจรรญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกา ที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็ขออนุโมตินะในการที่ทุกท่านได้มาร่วมกันที่จะมาเรียนรู้ในะเรื่องชีวิตนะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะที่เรามารวมตัวกันเข้า สู่การเจริญสตินะแบบต่อเนื่องการที่บอกว่ามาเข้าอบรมเข้มเก็บอบรมเก็บอารมณ์เข้มเนี่ยเพียงแค่ชื่อในบางคนก็ตั้งใจนะหรือมุ่งหวังมากตรงนี้ก็จะเป็นอุปสรรคอันหนึง่งนะที่ตัวกผมในตมาเอง ได้มีโอกาสครั้งหนึ่งได้ไปเข้าอบรมเข้มสมัยหลวงพ่อเทียนนเมื่อหลายสิบปีที่แล้วความที่เราตั้งใจมากนะบางทีเราก็มุ่งหวังมากแล้วก็เอาจริงเอาจาังมากนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งว่าบางทีจะทำให้เรา เพียดเกินไปแล้วก็อึดอัดเกินไปเพราะฉะนั้นในการที่เรามาเจริญสติเนี่ยนะเราก็ต้องสังเกตนะสัญญาณที่ธรรมชาตนะิเขาจะส่งมาให้เราทราบนะหรือรู้นะโดยส่วนใหญ่นะคนที่มีความตั้งใจมากก็จะ เพ่งมากนะนี่ซึ่งเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้นะก็เป็นกันทุกคนเพียงแต่ว่าให้เรารู้ทันแล้วก็ปรับนะด้วยการผ่อนคลายให้มันสบายขึ้นนะมันจะได้ทำได้เรื่อยๆถ้าเราไปเพ่งมากๆนะมันก็จะอึดอัดมันก็จะหนักมันก็จะเครียดนะโดยเฉพาะ ในวันแรกๆนะที่เราจะต้องปรับตัวปรับใจนะวันแรกๆนีก็จะรู้สึกหนักนะในทางตรงกันข้ามนะถ้าเราหย่อนเกินไปนะก็คือทำสบายเกินไปบางทีมันก็ไม่ทันนะกรับความคิดนะที่มีออกมาหลายรูปแบบ ประเด็นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องสังเกตที่จะต้องปรับความรู้สึกตัวเนี่ยให้มันพอเหมาะพอดีซึ่งความพอเหมาะพอดีเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่ามันทําได้เรื่อยๆมันไม่หนักไปมันไม่เบาไปซึ่งตรงนี้แต่ละคนก็จะต้องสังเกตเอาเองไม่ไม่สามารถที่จะบอกกันได้ นะเพียงแต่ว่าเราต้องสังเกตอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะที่มักจะพบนะในการที่เรามาเข้าอบรมหรือเข้าเจริญสติแบบเข้มนะโดยมุ่งหวังที่จะลดภาระนะในกิจกรรมทั้งปวงนะทั้งการกินการอยู่นะทำให้ชีวิตง่ายๆนะเพื่อที่จะได้ใช้เวลา นะกับการเรียนรู้การสังเกตนะความรู้สึกตัวนะที่จะรู้เท่าทันความคิดนะโดยเฉพาะความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคนที่มาเข้าครั้งแรกนะก็อาจจะรู้สึกลำบากนิดหนึ่งนะที่จะต้องปรับตัวแต่ก่อนเราเคยนอนสบายๆอยู่ในห้องนะอยู่ที่บ้านนะ เรามานั่งมานอนกลางป่านะซึ่งบางทีก็มีสิ่งที่มารู้สึกว่ามันบรบกวนะจะเป็นพวกมแมลงก็ดีหรือเป็นสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะเรียนรู้ที่จะสังเกตนะเรียนรู้ที่จะดู ความไม่สบายของกายแล้วมันส่งผลไปที่ความไม่สบายของใจด้วยไหมนะนี่เราก็ต้องสังเกตเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยเรามีใช่ว่าจะมาเพียงแค่เดินจงกรมสร้างจังหวะนะเท่านั้นในกิจกรรมต่างๆหรือในสิ่งต่างๆที่มากระทบนะกับตัวเราแล้วทารู้สึก ทำให้เรารู้สึกไม่สบายนะมันส่งผลต่อใจไหมเพราะนั้นในวันแรกเนี่ยนะในช่วงแรกเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มาใหม่เนี่ยคนที่ยังไม่เคยนะก็จะต้องปรับตัวปรับใจนะในส่วนนี้ซึ่งตรงนี้นะเป็นความรู้สึกตัวนะที่เราจะต้องเรียนรู้เหมือนกันนะไม่ใช่ไปมุ่งอยู่ตรงที่เดินจมกรมสร้างจังหวดเท่านั้น เนะมื่อคืนเป็นคืนแรกนะที่นอนกลางดินกินกลางทรายนะบางคนก็อาจจะหลับดีบางคนก็อาจจะยังหลับไม่ค่อยดนะีก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเราเรียนรู้นะในสถานการณ์ต่างๆการเจริญสติเนี่ยมันจะพัฒนาได้ดีหรือไม่เนี่ยเราสังเกตดูนะ ถ้าเราสามารถทำใจได้ทุกกรณีในทุกสถานการณ์นั่นแสดงว่าสติของเราเนี่ยงานมันใช้การได้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราจะต้องไอ้นั่นต้องไอ้นี่ต้องเลือกสถานที่เลือกอะไรต่างๆนะเนื่องจากเรารู้สึกไม่สบายนะเพื่อไปหาที่สบายนะตรงนี้ก็แสดงว่าอินทรีย์เราอาจจะยังไม่แก่กล้าพอ เพราะฉะนั้นการที่เรามาใช้ชีวิตนะโดยที่ไม่ได้นอนในห้องนอนตามปกติหรือนกุติตามปกตนะินี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกนะเป็นการฝึกที่จะให้ใช้ชีวิตนะเรียบง่ายนะแล้วก็รู้เท่าทันนะสิ่งต่างๆที่มากระทบนะกับกายกับใจแล้วเราสามารถปรับกายใจของเราให้เป็นปกติ นะคืนสู่ความเป็นปกติได้ไหมนะนี่เป็นสิ่งที่เราจะพบเจอนะในในช่วงวันแรกๆเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวที่เราได้ฝึกมาแล้วเนี่ยนะมันจะเข้ามาช่วยเหลือในทุกสถานการณ์นะในทุกเวลาสถานที่นะถ้าเราฝึกมาดี แต่ถ้าเรายังฝึกมาไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้นะว่าเราควรจะทำอย่างไรนะกับสิ่งต่างๆ ท, ท, ที่เกิดขึ้นการฝึกเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยนะเป็นวิธีการที่ง่ายนะและเป็นวิธีการที่เกิดผลได้เร็วแต่มันจะมีอุปสรรคสาคัญอันนึงก็คือว่า ค ว, นะความต่อเนื่องนะความต่อเนื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญนะที่เราจะต้องทําให้มันต่อเนื่องนะความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องแต่เมื่อพูดถึงความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องตรงนี้ก็ต้องต้องสังเกตเองเหมือนกันบางทีเราตั้งใจจะให้มันรู้ตลอดนะตรงนี้เนี่ยบางทีมันก็ตึงมันก็เครียดมันก็หนักเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะ มันก็ไม่เป็นธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นคำว่าต่อเนื่องในที่นี้เนี่ยในใ น, ในความเข้าใจหรือในประสบะการณ์ที่ทัว่วร์พระพุทธมาได้ประสบพบเจอก็คือว่าแรกๆเนี่ยเราไม่รู้นะเราอยากให้มันรู้ตลอดนะอยากให้มัรู้สึกตัวตลอดเลยอาการที่เกิดขึ้นก็คือเครียดหนักมึนนะโดยที่เราไม่รู้ตัว นะบางทีเราก็ไปถามคุณบาจัยทําไมเราหมึนทําไมเราหนักหัวยังบอกและนะ้วน่ะเราไปตั้งใจเราไปเพ่งเราไปจ้องเราจเจ้าจริงกับมันจนเกินไปเราจะให้มันรู้สึกตัวตลอดเวลาซึ่งอันนั้นมันเป็นการไปกําหนดกฎเกณฑ์นะซึ่งมันไม่เป็นธรรมชาติถ้าอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรล่ะนะเทนะ่าที่สังเกตก็คือมันรู้บ้างเผลอบ้างแต่เผลอเนี่ย เรากลับมารู้ได้เร็วเผลอบ้างรู้บางกลับมารู้กลับมารู้สึกตัวบ่อยๆนะถ้ามันเผลอแล้วก็แล้วไปช่างมันนะไม่ต้องไปอวดโทษตัวเองว่าโอ้ทาไมเราหลงทําไมเราเผลอนะมันก็ช่างมันเถอะนะมันแล้วไปแล้วเรากลับมารู้สึกตัวใหม่นนะกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆตรงนี้จะเป็นความเคยชินนะเป็นความชํานาญ เสนะ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แล้วมันก็จะเป็นธรรมาชาติความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ไปกัเกณฑ์ที่ให้มันเป็นแต่มันเป็นของมันเองนะ่ะมันจะเกิดขึ้นของมันเองเมื่อเร า, เาทําความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวบ่อยๆนะเรียกว่าสร้างนิสัยแล้วนิสัยเขาเกิดขึ้นเองเหมือนปลูกต้นไม้อ่ะ เร า, มาเมล็ดลงไปเราจะเร่งให้มันโตเร่งให้มันเติบโตขึ้นมาเนี่ยเร่งไม่ได้นะเขาก็เป็นของเขาความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นของเขาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราขยันนะขยันที่จะเดินชมกลมขยันที่จะสร้างจังหวะขยันที่จะรู้สึกตัวในกิจกรรมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการเดินการ กินการเคลื่อนไหวนะการกระพริบตาการขับถ่ายการตื่นการหลับนะการแปลงฟันในกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็คือเราพยายามใชยโอกาสนะที่จะรู้สึกตัวลงไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ความรู้สึกตัวนั้นที่เป็นความรู้สึกต่ อ, ตอเนื่องเนี่ยมันจะ มันจะเป็นไปโดยธรรมชาตนะิเมื่อความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยนะมันก็จะเห็นกายที่เคลื่อนไหวชัดเจนนะว่ากายเราเคลื่อนเราไหวเราทําอะไรนะชัดเจนแล้วก็ความรู้สึกนะสุขทุกขนะ์สบายใจไม่สบายใจที่มันเกิดขึ้นก็เห็นชัดเจนนะ เมื่อความรู้สึกตัวคือสติเนี่ยมันมันคมชัดขึ้นเนี่ยมันเห็นอะไรชัดเจนขึ้นนะหรือแม้แต่ความคิดนะความคิดที่มันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นะบางทีก็มายกยอปอปั้นเรานะว่าเรามาทําดีนะดีจังเลยนะบางทีก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เขานะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของความคิดที่มันจะเกิดขึ้น ในช่วงที่เรามาฝึกเจริญสติในช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นความคิดเรื่องการงานทั้งหลายน่ยทิ้งให้หมดเลยนะไม่ต้องไปวางแผนอะไรเลยช่วงนี้แม้แต่การเจตนาจะคิดทํานู่นทนํานี่ต่อไปในอนาคตทิ้งให้หมดเลยนะเพราะตรงนี้เป็นตัวเป็นตัวหลอกนะเป็นตัวหลอกที่ให้เราคิดเออเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเราจะต้องไปทําให้นู่นทําให้นี่นะอันนั้นเนี่ยมันคือความคิด ซึ่งเราไม่รู้สึกตัวนะเราเราเพลินไปกับความคิดแล้วนะเราเผลอไปกับความคิดแล้วนะตรงนี้ก็ต้องสังเกตนะเพราะตัวกระผมมาตรมาเองก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกันอาการแบบนี้โอ้โหบางทีมันโปรง่งมันโลง่งมันเบาสบายมันก็คิดถึงคนนู้นคิดถึงคนนี้คิดถึงโครงการที่เราจะต้องไปทำไอน้นูน่นไอ้นี่เนี่ยเราเผลอไปแล้ว นะตรงนี้ก็ต้องสังเกตเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยมันมีมีเล่เหลี่ยมนะมีความแนบเนียนนะในการที่จะทําให้เราเผลอนะทำให้เราลืมนะลืมตัวได้ง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะในช่วงของการฝึกเนี่ยกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆ จะดีใจเสียใจจะสุขจะทุกข์จะคิดอะไรต่างๆเนี่ยกลับมารู้สึกตัวกลับมาได้บ่อยๆนะตรงนี้เป็นจุดสําคัญกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นจุดสําคัญเป็นหลักนะที่จะทําให้ความรู้สึกตัวนะั้นมันต่อเนื่องโดยโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติหรือเกิดนิสัยใหม่เป็นนิสยยัยแห่งความรู้สึกตัว แต่ก่อนเราอาจจะเป็นนิสัยแห่งความเผลอนะแห่งความลืมตัวไปโดยที่เราไม่รู้นะตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดสําคัญเพราะฉะนั้นตรงการฝึกเนี่ยนะเราก็ต้องสังเกตนะมีความแยกคายในการที่จะสังเกตอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันหนักเกินไปมันเครียดเกินไปมันตึงเกินไปแล้วก็ผ่อน ล, ลงมาหน่อยนะถ้ามันเผลอไปเราก็ตั้งใจลงไป นะซึ่งตรงนี้ก็ต้องต้องอาศัยการสังเกตนะแล้วก็อาศัยความแยบคายนะในการที่จะขึ้นสู่ความเป็นปกตินะนี้เป็นสิ่งที่ที่เราจะจะใช้กันนะในช่วงที่เราม า, เ, าเก็บอารมณ์เข้มเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ อ, อยากจะฝากเอาไว้นะตัวของผมนิสทํามาเองก็ก็ยังฝึกอยูนะ่ยังเดินทางอยู่ ยังไม่ถึงที่สุดนะแต่ก็เห็นเป้าหมายชัดเจนแล้วว่ามันไปตรงไหนยังไงบางทีก็มีเผลอบ้างลืมบ้างแต่ก็กลับมารู้สึกตัวได้บ่อยๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ร่วมเดินทางกับพวกเราเหมือนกั น, นเป็นคนที่เดินทางไปพร้อมๆกั น, นเพราะฉะนั้นการมาใช้ชีวิตที่ป่าสุกโตเนี่ย นะโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยนะเป็นช่วงที่เหมาะมากนะเพราะว่าอากาศแม้ว่าจะหนาวนะแต่ก็ไม่หนาวเกินไปนะในช่วงกลางวันจะร้อนบ้างนะก็เป็นธรรมดานะของอากาศช่วงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพึงตระหนักหรือเรียนรูนะ้ก็คือทึกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามากระทบกับกายและใจของเรานั้น ให้กลับมารู้สึกตัวการมารู้สึกตัวได้บ่อยๆใจก็จะเป็นปกติได้บ่อยๆใจเป็นปกติได้บ่อยๆเนี่ยตรงนี้แหละจะเป็นที่พึ่งเป็นที่พักที่แท้จริงเมื่อเกิดอะไรขึ้นการที่เรามาอยู่ลาบากกว่าปกติไม่ถึงกับลำบากมากหรอกลำบากกว่าปกติลำบากกว่าที่เราเคยชินตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกเป็นการเตรียมตัวเราไว้ นะเมื่อจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงนะความเจ็บขไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่ความตายนะที่อาจจะมาเยือนเรานะในวันใด ว, วันหนึ่งนะเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งเราคาดไม่ถึงนะหรืออาจจะมีเรื่องที่เราไม่พอใจนะมากระทบทําให้เราเตรียมตัวเตรียมใจไม่ทันเพรา ะ, ะนั้นการที่เรามาฝึกนะ ใช้ชีวิตที่ลำบากกว่าเดิมนะแล้วก็ทำความรู้สึกตัวนะให้มันต่อเนื่องนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเป็นจุดสําคัญนะเป็นสิ่งสาคัญโยกภูมิได้ตามาเองถือว่านี่เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานชิ้นเอกของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทาให้กับตัวเราเอง เป็นรางวัลชีวิตที่ก่อนตายเนี่ยเขาทำเรื่องนี้น ใ, หให้สําเร็จแม้ว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามนะก็เป็นความตั้งใจเป็นงานชิ้นเอกที่ที่จะทําให้กับตัวเองแล้วก็คิดว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็มีความตั้งใจอย่างนั้นเหมือนกั น, นสิ่งนี้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่เรา น่าจะทำให้ไดนะ้ก่อนที่ชีวิตเราจะาตายไปนะถ้าเราทำได้นะถึงที่สุดนะปล่อยวางได้ทำได้วันนี้ที่เหลือก็เป็นกำไรของชีวิตนะที่เมื่อวานหลวงพ่อคมเขียนนั้นก็ได้พูดเอาไว้ว่าท่านสามารถที่จะปล่อยวางนะแล้วก็ไม่เป็นทุกข์แล้วตั้งแต่อายุ30 นะตอนนี้ท่านอายุ70กว่าเพราะนั้น40ก ป, ปีท่านก็เป็นกาไรของชีวิตนะซึ่งตรงนี้เราก็น่าเอาเป็นแบบอย่างหน้าที่จะดำเนินรอยตามของท่านนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไวนะ้ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราบ้างก็นะโดยสรุปแล้วนะการที่มาเก็บอรมเข้มนะก็ ให้คอยสังเกตนะความรู้สึกตัวที่เป็นกลางๆนะไม่หนักเกินไปไม่หย่อนเกินไปตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะก็ขอใหออ้ความตั้งใจนะแล้วก็ความพยายามของทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันในครั้งนีนะ้จงเป็นพรวะวปัจจัยให้ทุกท่านนะได้ประสบพบเห็นนะความพ้นทุกข์ คือความเป็นปกติของใจในปัจจุบันชาตินี้โดยทั่วหน้ากันเถินเนริญพรนิดหนึ่งก็สังเกตได้ไหมที่โูเนี่ยมยีตัวหนึ่งก็คือความรู้สึกถ่งเป็นตัวกลางกลางอันนี้ไอ้ตัวกลางๆเป็นตัวเปรียบเทียบในความรู้สึกหลายตัวระหว่างปฏิบัติมันก็จะแสดงออกมาที่กาย มีที่จิตก็มีจะแสดงออกมาแค่นี้ใ้ตัวที่เป็นตัวกลางๆมันเป็นเรื่องการแก้อารมณ์ถ้เรากลับมาตัวกลางๆตัวปกติตัวนี้ได้มันแก้ได้ทุกอารมณ์เลยแล้วมันจะกลายเป็นว่าไอ้ทุกตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่ถูกรู้แล้วก็ถูกหยิบมาใช้และเกิดประโยชน์ด้วยนะมันมันเป็นประโยชน์เลยทั้งบวกทั้งลบเป็นประโยชน์ได้หมดเลยเหมือนกับปลาลาเนะีเหม็นนะแต่ว่าคนกิน บางอย่างของดีๆไม่ต้องไปหมักให้มันบูดให้มันเน่าแล้วค่อยมากินบางอย่างก็คล้ายๆกันบางคนก็อ่รสชาติสดๆใหม่ๆและของจริงของมันเลยแต่มนก็ปรงุ ง, ปรงแต่งกันกอันนี้เราถือว่าเป็นปัญญาเหบนการปัญญาจะเป็นว่าตามประเพณีเป็นความสวยความงามเป็นความฉลาดมากมายที่สังคมกําหนดแล้วตกลง ร, งร่วมกันว่าใช่แล้การเป็ของถูกแต่ว่าไม่ใช่คือผิดแล้วคนกลุ่มเดียวเท่านั้น ตัวไม่รัจึงมีเรื่องต่างๆมากมายในโลกใบนี้วที่เร า, าเออมันเป็นอย่างนี้แค่สมมตินั้นนี่ภาวะผู้ดูภาวะที่มันเป็นกลางๆจริงนะมันก็เลยเห็นอะไรก็ธรรมดาธรรมด า, านันะธรรมชาติทั้งนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวก็มีเราไม่มีเรามันก็เป็นก็มันอย่างเงี้ยแต่เพียนก็เราจะาไปตีความไปยึดมันไปหลงเพลิแทนที่จะมีตัวกลางๆตงัวเดิมตัวไม่บวกไม่ลบไอตัวกลางๆไม่บวกไม่ลบนั้นต้องชัดเจนไหม เคลื่อนมือเฉยๆรู้เฉยๆรู้จิตๆจืตัวนี้ไม่บวกไม่ลบสวนจุดสนๆมันจะเป็นตัวที่วางจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นเก็บลมเข้มเนี่ยต้องได้สัมผัสบ้างเรียกว่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นสายฟ้าแลบอะไรประเภทนี้ประปิ่มปลาพายต้องได้สัมผัสแต่เพียงแค่ว่าการที่จะมีปัญญาเรียกว่า มันถึงพิกถึงถิงเท่าเทียมกันแล้วก็จ๋าเอะกันพอดีไอ้ความคิดมันจะเดินเข้ามาไอ้เราก็เห็นมันมันจะเดินออกไปแล้วก็เห็นมันมันผ่านอยู่นตรงประตูตรงเนี้ยประตูกลางกลางประตูปกติประตูเฉยๆตัวนี้มันมีแต่ตอนนั้นเราก็เลยใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเมื่อคืนนะบางคนตื่นแล้วทีสองนี่ทำไมเหรอเราตื่นทีสองบางคนตื่นมาเดินแล้ว บางคนก็อืมตื่นมาแล้วก็อาจจะกลับกุดก็ระมัดระวังนิดหนึ่งเรื่องในกาปกุกนะเห็นปุกกันหลายหลายเต็นอยู่บางเต็นปลุกแล้วตัวไม่อยู่ตัวไม่อยู่มันก็เลยดังอยู่ได้นนะเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีก็ต้องให้คนเข้าไปปิดเพราะนั้นระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการใช้จ่ใจเอาอะไรมาก็ตามก็ดูแลมันด้วยในกา ตั้งเอาไว้กดปิดอันนี้คือการฝึกติทั้งหมดเลยไม่ ใ, ใว่าเราจะไม่ดูแลแลักษณะของสิ่งแวดล้อมเสียงเนี่ยให้มีน้อยที่สุดให้เป็นเสียงที่คนอื่นก็ผลิตนะเช่นไก่ขันเช่นหมาเห่าอะไรเรื่องก็แต่ของเราที่จะไปสร้างเสียงพูดคุยเหมือนก็ไม่มีตัวเราอยู่วป่าสกุตัวเหมือนก็ไม่มีตัวเราอยู่เอาอย่างนั้นเลยปฏิบัติทำการเคลื่อนไหวเดินไปไหนมาไหน ไม่ไปสองคนจะไเจ้าเห็นมีไปสองคนแต่นอนสองคนก็มีเมื่อคืนนะไม่ลองนอนนะสองคนเอาเป็นว่าเรานอนเป็นของใครของเราอย่างที่จัดไว้ก็คือผู้หญิงคนเก่าให้อยู่แนวนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคนใหม่ๆ ม, มาครั้งแรกก็ในชายล่างเนีแม่ชีก็อยู่ในบริเวณวงในของลานหินโค้งที่มีแผ่นปูนอยู่ทั้งชีพราม ทางฉีกวนหัวไม่กนหัวนั่นแหละชุดขาว่ไปอยู่ที่นั่นกันแล้วก็ด้านบนให้เป็นพระสงฆ์อยู่ทั้งหมดแล้วก็ผู้ชายเป็นผู้ชายทั้งหมดคาดว่าว่าเนท่านอาจารย์แวบๆไปบอลเล่นหรือปฏิบัติให้กําลังใจเวลาอยู่แถวนั้นด้วยแล้วก็แบ่งกันให้เป็นขอบเป็นแก่อย่างนี้แล้วก็ใช้ลักษณะของสิ่งแวดล้อมเป็นความสะดวก เป็นการสนับสนุนกับการปฏิบัติการฝึกหัดสริรังนี้ทั้งหมดของเราอย่าง น, นะเดี๋ยวมีอะไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะพาการพระปฏิปสง่งส่วนหนึ่งก็จะไปวิทยาบาทตเตรียมตัวการพระพร้อมกัน